ทาครั้งแรกคือท้าพระปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ที่แรกไม่เชื่อที่แรกไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็ไม่อยากฟังหรือไม่มีศรัทธาทจะฟังเหมือนใช้คำพูดก็ไม่ดีด้วยเคยได้ยินอยู่ใช่ไมว่าใช้คำว่าอาวุโสกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนนี้เราไม่ใช่ไม่ใช่คนเดิมแล้วนะตอนนี้เรารู้อมตะธรรมแล้ว มาฟังเถิดอย่างนี้นะจงมาฟังเถิดแล้วเราจะแสดงอมาตะธรรมให้ฟังลองระลึกดูซิว่าอยู่กันมาหกปีเนี่ยเราเคยพูดคํานี้ไหมนี่ท้าทายท้าทายปัญจวัคคีย์ก่อนหน้านั้นไม่ท้าทายก่อนหน้านั้นคือทําอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยได้พบอมาตะธรรมหรือได้พบโพธิญาณพอพบแล้วก็มาท้าทายท้าทายกลุ่มแรกเลยคือปัญจวัคคีย์ มีผู้รับคำท้าห้าท่านทำสำเร็จหนึ่งท่านแล้วในพรรษานั้นก็มีผู้รับคำท้าจนทำได้ได้หกสิบท่านพระอรหันนะท่านนับพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นห1สบอดออกพรรษาแล้วท่านก็ส่งพระอรหันหกสิบท่านเนี่ยไปท้าต่อท้าต่อและให้ไป คนละทางห้ามซ้ําทางกันทำไมตอนนั้นไม่ให้ซ้ําทางกันเพราะว่าพระอาหารมีน้อยต้องใช้พระอาหารให้คุ้มที่สุด <c oughs> เดินไปแยกทางกันไปไม่ให้ซ้ําทางกันตัวท่านเองท่านก็บอกว่าท่านจะไปที่ไหนแล้วพระอาหันทั้งหลายอีก60สองค์เลยนะหกรูปเนี่ยให้ไปคนละทาง